เชื่อก็ต้องเชื่อ น, นะคะว่าสถานที่ในกรุงเทพมหานครแห่งนี้ยังมีเรื่องราวมากมายที่หลายคนไม่รู้แอบซ่อนเอาไว้อย่างเช่นเรื่องราวที่บีนามาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้กันกับ10 ส, สถานที่ผีดุที่กรุงเทพมหานครบอกได้คําเดียวนะคะว่าใครที่ใจไม่ถึงอย่าได้ย่างกรายเข้าไปแถวนั้นโดยเด็ดขาดมิฉะนั้นนะคะคุณอาจจะกลายเป็นคนเห็นผีได้แบบไม่ทันตั้งตัวเลยก็ได้นะคะ เริ่มต้นที่อันดับสิบค่ะคุณผู้ฟังอันนี้เรียกว่าเป็นตำนานเลยที่ซอยวัชระพลนะคะเป็นบ้านทรงยุโรปหลังใหญ่ค่ะซึ่งยังก่อนสร้างไม่แล้วเสร็จถูกทิ้งร้างค้างคาในสภาพเดิม เวลากลางคืนดูน่ากลัวชวนขนลุกค่ะแล้วก็เชื่อกันว่ามีผู้พบเห็นวิญญาณของผู้หญิงผู้ชายแล้วก็เด็กปรากฏวูบวาบบ่อยครั้งสาเหตุบ้านหรูหลังใหญ่กลายเป็นบ้านร้างก็เนื่องมาจากว่าเจ้าของบ้านหลังนี้พาครอบครัวขับรถไปเที่ยวต่างจังหวัดแล้วก็ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตหมดทุกคนนั่นเองค่ะ สถานที่ต่อมานะคะคุณผู้ฟังก็คือโรงงานร้างที่อยู่ในอุตสาหกรรมบางปูฝั่งเดียวกันกับเมืองโบราณค่ะสถานที่ที่อยู่สุดซอย2เมื่อก่อนนี้เนี่ยเป็นโรงงานทํารองเท้าแต่ว่าขณะที่กิจการกําลังดําเนินการไปได้ด้วยดีก็ได้เกิดอุบัติเหตุอย่างร้ายแรงนั่นก็คือเครื่องปั๊มลมระเบิดคนงานหลายคนค่ะเสียชีวิตทันทีนับตั้งแต่นั้นคนงานที่ทํางานอยู่ก็ถูกผีหลอกถูกวิญญาณหลอกจนต้องทยอย ลอยลาออกไปเรื่อยๆจนหมดค่ะกิจการก็ประสบความวินาศเจ้าของโรงงานยิงตัวตายในห้องทำงานชั้นบนของโรงงานแล้วก็กลายเป็นสถานที่รกร้างเรื่อยมาเล่ากันว่าที่นี่ผีดุมากเลยนะคะปัจจุบันนี้ยังมีเศษ ร, รองเท้ากระจายเกลื่อนแล้วก็ปั๊มลมมรณะก็ยังคงอยู่ด้วยค่ะอันดับที่8ค่ะวัดปราศาสตรจังหวัดนนท บ, บุรี วัดปรด า, าสาทจังหวัดนนท บ, บุรีเป็นวัดเก่าแก่โบราณครั้งสมัยอายุทยาตอนกลางเคยขุดพบกำแพงเมืองรอบอุโบสถอายุ300ปีค่ะด้านหลังอุโบสถก็มีคุ้มเก่าแก่จำรุดสุดโสมซึ่งว่ากันว่าเจ้าของสถานที่ก็คือพระนางอุสาวดีเทวีชาวบ้านละแวะกนั้นก็เรียกว่าแม่ค่ะแล้วก็เจ้าแม่เวลากลางคืนหากไปที่บริเวณคุ้ม จะมีบรรยากาศวังเวงน่ากลัวเป็นอย่างมากผู้ใดที่ไปแสดงกิริยาจาับจ้วงหยับคายไม่เคารพผู้ที่เป็นเจ้าของสถานที่มักเจอเหตุการณ์แปลกๆน่าขนหัวลุกทุกรายค่ะอันดับเจ็ดในซอยมห า, หาวิทยาลัยกเกษมบันดิตถนนพัฒนาการ ในซอยมหาวิทยาลัยเกษมบันดิตถนนพัฒนาการเป็นโรงงานร้างเมื่อก่อนนี้เป็นโรงงานทาปากกาแล้วก็เป็นโรงกลึงขนาดใหญ่ตั้งอยู่ในพื้นที่80ไร่เหตุที่กลายเป็นโรงงานร้างจำรุดสุดโรมก็มีวัชพืชขึ้นปกคลุมรกคลืมเช่นทุกวันนี้ มีเรื่องเล่ากันนะคะ ว, ว่ากันว่าเจ้าที่เจ้าทางที่นี่แรงมากระหว่างที่ดําเนินงานอยู่ก็มีคนเสียชีวิตจากอุบัติเหตุหลายคนค่ะผู้ลงทุนขาดทุนย่อยยับจนต้องเลิกกิจการหากเดินเข้าไปในอาณาเขตโรงงานร้างก็จะสัมผัสกับบรรยากาศที่เย็นเยือกผิดปกติแล้วก็มีเสียงลือเสียงเล่าอ้างกันนะคะว่าหากไปเคาะแท้งน้ําซึ่งตั้งอยู่3ใบสมครั้งก็จะปรากฏเจ้าที่เจ้าทางออกมาให้เห็นทันทีค่ะ อันดับที่6น ะ, ะ่คะเรื่องราวของความสยองเกิดขึ้นที่รังสิตคลอง13ค่ะจากถนนใหญ่เดินเข้าไปประมาณ2กิโลเมตรนะคะก็จะมีบ้านพักที่ถูกไฟไหม้เกือบทั้งหมดแต่ว่ายังเหลือซากที่เป็นบ้านอยู่ส่วนหนึ่งข้อมูลบางกระแสก็บอกว่ามีผู้หญิงเนี่ยตายในกองไฟบ้านหลังนี้อยู่ในส่วนมกขามหวานแต่ว่าถูกทิ้งให้รกร้าง คนในระแวกใกล้เคียงต่างก็ยืนยันกันแน่ว่าตอนกลางคืนจะได้ยินเสียงผู้หญิงกรีดร้องโหยหวนดังออกมาจากบ้านบ่อยๆพร้อมกันนั้นก็ยังมีคนเคยเห็นผีผู้หญิงที่อยู่ในบริเวณซากบ้านอีกด้วย อันดับ5ค่ะในซอยรอดอนันต์ถนนสุขาพิบาลหนึ่งเป็นบ้านร้างทรงทายอยู่ริมบึงห่างไกลจากบ้านอื่นๆในละแวกนั้นบริเวณบ้านรกครึมด้วยต้นไม้คุณยายเจ้าของบ้านเสียชีวิตที่บ้านหลังนี้แล้วก็น่าเชื่อนะคะว่าวิญญาณของคุณยายไม่ยอมไปผุดไปเกิดแต่ว่ายังคงวนเวียนอยู่ในบ้าน จนกระทั่งลูกหลานไม่กล้าอยู่ต่างก็แยกย้ายไปอยู่ที่อื่นกันหมดปล่อยบ้านทิ้งร้างชำรุดสุดโทรมไปตามกาลเวลาและที่บ้านหลังนี้ก็มีเสียงเล่าลือกันว่าผีดุนักคนที่อยู่ในละแวกใกล้เคียงค่ะเคยเห็นผีคุณยายมายืนชี้นิ้วอยู่ที่หน้าบ้านเมื่อมีเด็กๆวิ่งเล่นในบริเวณหน้าบ้านเคยมีคนใจกล้าเข้าไปนอนในบ้านได้ยินเสียงผู้หญิงแก่ๆขู่ตะคอกจนต้องเพ่นออกมาแทบไม่ทันเลยล่ะค่ะ อันดับสี่ค่ะในซอยสายหยุดเป็นอู่รถเม์เก่าที่นี่เป็นสู่สารรถเมย์หรือว่ารถโดยสารประจำทางที่เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงจนใช้การไม่ได้ซากรถเมย์แต่ละคันค่ะมีประวัติคนตายหงคารถในสภาพสยดสยองมาแล้วและก็เป็นที่เล่าลือกันค่ะว่าอยู่ดีๆไฟในรถกลับเปิดสว่างขึ้นมาเอง หรือว่ามีคนมายืนบบกรถอยู่หน้าอู่แท็กซี่จะเข้าไปจอดรับก็หายไปบางครั้งก็มีคนวิ่งตัดหน้าแล้วก็หายไปดือด้อนะคะอันดับ3ค่ะในวัดแห่งนี้ยังมีสารย่านาคตั้งอยู่สืบเนื่องมาจากตำนานรักของแม่นาคพระขนงที่รู้กันแพร่หลายเล่ากันว่า เมื่อมีแม่นาคอาละวาดหลอกหล้อนจนชาวบ้านหาปกติสุขไม่ได้เจ้าประคุณสมเด็จโตแห่งวัดระฆังก็ได้มานำวิญญาณแม่นาคไปพร้อมกับกระดูกกะโหลกหน้าผากแล้วก็อบรมสั่งสอนให้รักษาศีลปฏิบัติธรรมไหนว่าแม่นาคเลื่อนพบเป็นเทพแล้วหากยังมีผีวนเวียนที่วัดมหาบุตรคงมีใช่วิญญาณของแม่นาคอย่างแน่นอนค่ะ อันดับที่2ค่ะเรื่องของซอยรามคำแหง32แต่ว่าปัจจุบันนี้เนี่ยน่าจะทุบไปแล้วเรียบร้อยนะคะลึกเข้าไปในซอยรามคำแหง32จะพบบ้านทรงสเปนหลังหนึ่งรูปทรงสวยงามสง่าน่าอยู่ค่ะแต่ว่าบ้านนี้ไม่มีใครอยู่อาศัยมา ก, กว่า20ปีแล้วปล่อยให้ทิ้งร้างเก่าสุดโทมอย่างน่าใจหายแต่ว่าประวัติของบ้านค่ะ มีเจ้าของบ้านเนี่ยเป็นชาวต่างชาติวันหนึ่งเจ้าของบ้านขับรถออกไปทำงานตามปกติมีาสาวใช้ที่อยู่บ้านเพียงคนเดียว คนร้ายไม่ทราบจํานวนซึ่งก็คงมาแอบสังเกตการนานพอสมควรแล้วนะคะก็ได้เฉวยโอกาสเข้าไปปล้นแล้วก็ฆ่าสาวใช้ตายค่าที่นับตั้งแต่นั้นมักได้ยินเสียงผู้หญิงร้องให้ช่วยดังโหยหวนหน่าสโยดสยองแล้วก็ยังเห็นผู้หญิงซึ่งเข้าใจน ะ, ะว่าเป็นผู้หญิงที่เป็นคนใช้ที่ถูกฆ่าตายนี่แหละเดินวนเวียนวูบว่าบอยู่ในบ้าน เจ้าของบ้านทนไม่ได้ต้องย้ายไปอยู่ที่อื่นแล้วก็เล่ากันนะฮะว่าหลังจากนั้นมีคนได้ยินเสียงผู้หญิงร้องให้ช่วยดังออกมาจากบ้านร้างบ่อยๆแล้วก็มีคนเห็นผู้หญิงลึกลับยืนอยู่หน้าบ้านเป็นประจำแต่ว่าเมื่อเดินเข้าไปใกลๆ้ๆกลับหายไปซะอย่างนั้นค่ะ อันดับหนึ่งผับสยองซานติก้าที่เอกมัยได้เกิดเหตุการณ์ไฟไหม้ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ขึ้นที่ซานติก้าผับแห่งนี้ได้มีผู้เสียชีวิตถึง63ศพและก็มีคนค้นพบเนใี่ยว่าที่ดินพื้นที่นี้เนี่ยสมัยก่อนเป็นบ้านเก่าที่เคยมีคดีฆาตกรรมมาก่อนถือได้ว่าเป็นที่ดินอาถรรพ์แล้วก็ยังเล่า ว, ว่ากลางคืนได้ยินเสียงร้องโหยหวนแล้วก็ยังมีเสียงของการร้องขอให้ช่วยอย่างเจ็บปวดแล้วก็สุดแสนจะทรมานนั่นเองค่ะและนี่ก็คือ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 ลักษณะช็อปก็จะเหมือนโดมด้านล่างจะเป็นพื้นโล่งๆมีเตาหลอมเหล็กตั้งอยู่3อันคุณไอซ์บอกว่าพออยู่เฝ้ากันได้สักพักก็รู้สึกหิวก็เลยชวนกันไปเซเว่นคุณไอซ์ก็ไปกับรุ่นพี่อีก3คนเหลือรุ่นพี่เฝ้าเตาอยู่อีกคนหนึ่งชื่อคุณมอสนะคะผ่านไปประมาณครึ่งชั่วโมงคุณไอซ์ก็กลับมาในช็อปปรากฏว่าเห็นคุณมอส